ก่อนมีโยมคนหนึ่งมาหาแล้วก่อนที่จะลา ก, กลับโยมก็บอกว่าอาจารย์ให้พรหน่อยนะแล้วก็พูดต่อไปว่าเนี่ยจะได้โชคดีนี่มาเขบอกว่าเนี่ยเราดีเนี่ยมันง่ายกว่าโชคดีนะเพราะว่าทําดีเนี่ยนะมันทําได้เลยไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอเวลา แต่โชคดีเนี่ยนะไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็สำหรับหลายคนเนี่ยโชคดีมันต้องทำอะไรหลายอย่างเช่นไปบนบานสายกลา่านะไปไหว้ท่ามาหาพรหมมันยุ่งยากแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทันทีแต่ว่าทำดีเนี่ยนะทำได้เลย ทำได้แต่อยู่วัดนะยิ่งกว่านั้นเนี่ยทำดีเนี่ยมันเหลกมันเป็นหลักประกันแน่นะว่าจะเกิดผลที่ดีส่วนโชคดีเนี่ยนอกจากไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แล้วหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้ครั้นมาแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่ามันจะดีเสมอไปนะ อย่างคนที่โชคดีจนกระทั่งถูกรัตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งนี่ก็ลงเอยแบบแย่แลวก็มีนะแล้วก็มีเยอะด้วยอย่างเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายใบยด้วยก็ได้เงินมาทั้งหมดประมาณ20ล้านขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยนะ สมัยน่นคนนี้ก็ยังอ่านนักสืบพิมพ์กันเยอะนะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เลยเพอต่อหลังไทยรัฐก็พาดหัวข่าวอีกหน้าหนึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นหนึ่งเดือนหรือไม่ถึงหนึ่งเดือนด้วยซ้ำว่าพ่อค้าเร่คนนี้ สดยากพิชิ่าตัวตายเพราะอะไรนะเพราะว่าพอถูกรัตตอรี่แล้วเนี่ยเป็นข่าวเนี่ยคนก็แห่มาที่ไม่เคยคบค้าหรือที่เลิกคบค้ามานานแล้วก็เสนอหน้าต่างคนต่างก็อ้างบุญคุณหรือว่าอ้างสายเลือดอ้างความเป็นญาติมิตร เพื่อที่จะได้ขอส่วนแบ่งถือว่าเรียกร้องบุญคุณก็เยอะแล้วพะข้าเร่คนนี้นี่แกก็ให้นะแต่หลายคนเนี่ยได้แล้วไม่พอใจเพราะคิดว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล้านให้ฉันแค่หมื่นเดียวเหรอชาวหนุ่าช่วยนะ ต้องมากมายที่จริงก็ไม่ได้ช่วยมากมายหรอกนะช่วยไม่กี่ร้อยไม่ถึงพันแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเงินเงินก้อนใหญ่ที่สคนควรจะได้รางวัลหรือเงินตอบแทนมากกว่า น, นี้โกงคาดหวังว่าจะได้เป็นแสนพอได้หมื่ น, นก็ไม่พอใจโกรธนะเกลียดบางคนก็ถึงกับ โทรศัพท์มาขู่ค่าไม่ไขู่ค่าเขาคนเดียวนะจะขู่ค่าลูกสาวเจอแบบนี้เขาเนี่ยเครียดเลยเนะคามเทรียด ม, มาเขาก็เลยเอาวิกซอลเนี่ยกรอกใส่ปากเพื่จะฆ่าตัวตายวิกซอนี่มันเป็นน้ำจาทําความสะอาดห้องน้ำนะคนค่าตัวตายแล้วคนก็ใช้วิกซอนี่นะ แต่โชคดีนะลูกสาวเห็นแล้วก็ช่วยไปได้ทันล้างท้องทันผู้สุ ก, การเชล ก, ก็ไปสัมภาษณ์นะที่ข้างเตียงพอคาเร่คนเนี้ยพอรู้สึกตั ว, วก็พูดนะว่าเนี่ยไอตอนเป็นพ่อคาเร่เนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนสุขกว่าตอนถูกรัตตอรี่ ไอ้ตอนไม่ได้มีโชคมีลาบเนี่ยมันสุขกว่าตอนที่มีโชคลาบเพราะโชคลาบเนี่ยมันกลายเป็นทุกขลาบบางคนเนี่ยพอถูกลดตัวเลขมาที่หนึ่งได้โชคลาบแบบไม่ทันคาดคิดนี่ของได้กันมาเป็น1 0บ0ี 10, ร้านก็กินเหล้าเมาสุรา แล้วก็เที่ยวกลางคืนเที่ยวอ บ, บายามุกนะติดจนติดอ บ, บายามุกไม่เป็นอันทำงานเที่ยวสวงหาความสุขความสำเริงติดผู้หญิงถูกผู้หญิงปลอกลอกเงินหมดอย่างรวดเร็วท่านนั้นไม่พอนะเนื่องจากมันติดนิสัยเสพสุขนะเสพ ความบันเทิงเริงรมก็เลยามเร่นงการบันณันอีกก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินติดเงินเป็นหนี้นะเป็นแสนท้ายก็ต้องขายที่ที่นาก็กลายเป็นคนไร้ที่นาไร้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ชวิตย่ำแย่เลยนะเพราะฉะนั้นโชคดีเนี่ยมนไม่ได้แปลว่ามันจะลงเอยดีเสมอไปนะไม่เหมือนกับทำดีทำดีเนี่ยมันเกิดผลดีแน่นอนแต่ว่าทำดีที่ว่านี้ก็หมายถึงว่าดีไม่ใช่แค่ถูกทำนองครองทำหรือว่ามีศีลมีธรรมอย่างเดียวนะแต่หมายถึงการ ทำอะไรให้มันถูกต้องถูกกรณีด้วยเช่ขนขณะที่ขับรถก็มีสติไม่ใช่เอาแต่สวดมนต์จนไม่ได้สนใจถนนหนทางข้างหน้าหรือไม่ก็นึกถึงการทำบุญทอดผ้าป่ า, ปาทอดกับถินขณะที่ขับรถความเร็วสูง ไอ้สิ่งที่คิดตดีนะแต่ว่ามันทำผิดเวลาเวลานั้นกำลังขับรถก็ต้องมีสติเช่นเดียวกันนะข้ามถนนเนี่ยาที่ข้ามถนนก็ต้องมีสติอย่างนี้เรียกว่าทำดีหรือถูกกรณีไม่ใช่กำลังข้ามถนนก็คิดเรื่องจะไปเจริญสติที่ไหนดี ในช่วงปีใหม่สงกรานต์จะไปกี่วันจะชวนใครไปใจเนี่ยไม่ได้มีสติหรือรู้เนื้อรู้ตัวอยู่การเดินข้ามถนนแบบนี้ก็อาจจะเดินรถชนได้นันคำว่าทำดีเนี่ยมันหมายความว่าทำถูกกรณีด้วยถ้าทำไม่ถูกกรณีแม้จะนึกถึงสิ่งที่ดีแต่ว่าขณะที่กำลังข้ามถนนขับรถเนี่ยแล้วพอเกิดเหตุ ร้ายขึ้นมาก็ไม่สมควรที่บอกว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทาไมคิดถึงเรื่องการทอดกระถินทอดผ้าป่ า, ปาหรือว่าการไปปฏิบัติธรรมจึงต้องมาเจอข้อร้ายแบบนี้ก็ไปโทษว่าเนี่ยทำดีไม่ได้ดีทำดใีในที่ที่มันถึงทำให้ถูกกรณีด้วยรวมทั้งการครองตนให้ดีด้วยนะ ถ้าครองตนดีเนี่ยมีโชคมีลาบเนี่ยมันก็เกิดผลดีได้เงินมาได้ลาบมาก็ไม่ปล่อยใจให้เสียผู้เสียคนหลงไปกับการเสพสุขการเที่ยวหาความสุขสนานสนุกสนานหรือการบันเทิงเริงรมู้จักอดกลั้นต่อกินเลน มีเงินเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายอันนี้เราว่ารู้จักคลองตนดีเมื่อคลองตนดีเนี่ยนะมีโชคลาภก็ใช้ไปในทางที่เกิดประโยชน์เช่นใช้เที่ยวแต่เล็กน้อยแต่ว่าใช้ลงทุนนะส่งเสริมการศึกษาของลูก ลงทุนประกอบการค้าธุรกิจหรือว่าเก็บเงินเอาไว้เผื่อยามจำเป็นเนี่ยอันนี้เราว่ารู้จักครองตนนะก็เลยใช้เงินอย่างมีสติมีปัญญาไม่วู่วามแลวถ้าเกิดว่าทำดีและครองตนดีซึ่งรวมถึงการรู้จักวางใจให้ดีนะแม้จะไม่เจอโชคแต่ว่าเจอเคราะห์เจ อ, อประสักด์มันก็กลายเป็นดีได้นะ ทำงานแล้วประสบความล้มเหลวแต่ถ้าคนที่เขาวางใจดีเนี่ยเขาไม่ทุกข์นะแล้วเขากลับมองได้ว่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลวอย่างมีนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเนี่ยโทมัสเอ็ดิสันคนที่เขามีชื่อจากการที่เขาคิดค้นหลอดไฟฟ้านะ ที่เรามีหลอดไฟฟ้าใช้เนี่ยก็เพราะผลงานประดิษฐ์คิดค้นของเขาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนตอนที่เขาเริ่มทำหลอดไฟเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือไส้ไส้เนี่ยมันต้องมีความทนสามารถจะต้านทานไฟฟ้าได้ตอนนั้นเนี่ย แล้วเขาก็มันเราก็รู้จักไฟฟ้าแล้วทั้งกระแสสลับทั้งกระแสตรงแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดแสงสว่างได้มาต้องอาศัยไส้ที่มีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงพอไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยไฟฟ้าผ่านเข้าไปแล้วมันก็จะแดงแดงก็เกิดแสงสว่าง สมัยตมาอย่างเด็กเนี่ยเรายังใช้หลอดไฟฟ้ากันอยู่ที่มีไส้มันจะไม่สว่างโนวลแบบนี้มันจะสว่างเป็นเหลืองเหลืองและความสว่างมมาจากไฟมามาจากไส้ที่ที่ร้อนร้อนจนแดงและแดงจงกนกระทั่งสว่างนี้อดิศร์นี่นนก็พยายามหาวัสดุที่จะทําไส้ ที่เป็นสื่อนาไฟฟ้าแต่ว่ามีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงแล้วก็ทนด้วยก็พยายามค้นหาวัสดุหลายอย่างนะแม้กระทั่งเส้นผมหรือว่าอลูมิเนียมสารพัดโลหะแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่สามารถจะได้ไส่ที่ต้องการเพราะว่าไส่อันบางอย่างเนี่ย พอโดนไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็ขาดเลยให้แสงสอนได้ปุ๊บเดี๋ยวก็ขาดเลยแต่เขาไม่ทอนะจนใน้สุดเ ข, ขาก็ค้นพบนะแร่ธาที่จะทำเป็นไส้ไฟฟ้าได้ไส้หลอดไฟฟ้าเรื่อกทางสเตนนะทางสเตนเนี่ยมันมันจะมีความทนทานแล้วก็มันก็สามารถจะ ต้านทานไฟฟ้าได้มันไม่ใช่เป็นสื่อแบบตะกั่วหรือทองแดงนะแ น, นั่นแหละคือนะกำเนิดของหลอดไฟซึ่งพอมาถึงยุคราเนีโอเป็นพัฒนาไปเยอะเลยนะใช้ไฟต่ำมากนะตอนที่อดิสันเนี่ยยังไม่ได้ยังค้นไปพบวัสดทุที่ทำเป็นไส้ได้เนี่ย ใครๆว่าเขาล้มเหลวป่วยการเสียเวลาแต่อิษานบอกผมไม่เคยล้มเหลวเลยผมเพียงแต่ค้นพบหรือรู้ว่าหนึ่งหมื่นวิธีการเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่ได้ผลน่าสนใจนะเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาล้มเหลวเลย ในสายตาคนส่วนใหญ่ก็ว่าเขาร่ลมเหลวแต่เขาบอกเขาไม่ร่ลมเหลวเพราะเขาได้ความรู้ความรู้ว่ามันมีพันที่ริงไม่ถึงหมื่นนะแต่เขาก็อาจจะพูดเวอร์ไปหน่อยเนาะมันมีถึงพันวิธีที่ไม่ไม่เวิร์คหรือใช้เมกการไม่ได้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่มีค่ามาก อันนี้แปล ว, ว่าเขารู้จักมองเป็นเขาวางใจเป็นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ทอ้อเวลาเราพูดถึงความล้มเหลวเนี่ยนะเราหมายถึงว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนฉลาดคนมีปัญญาเนี่ยขึ้นชื่อว่าทําอะไรแล้วมันไม่มีคําว่าขาดทุนมันมีแต่คําว่าได้อยู่ที่ว่าได้อะไรเรื่องราวเขาคือได้ความรู้ว่ามันมีวิธีที่ ไม่ได้ผลให้พวกเราในถาว่าเจอแม้จะไม่เจอโชคนะแต่เจอเคราะห์เนี่ยหรือเจอสิ่งที่ไม่สมหวังเนี่ยถา้าว่าวางใจเป็นนะมันก็ไม่เคยรู้สึกขาดทุนได้เสมอเช่นเดียวกันนเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ย หลายคนก็มองเป็นเคราะห์นะแต่ว่าคนที่รู้จักวางใจเป็นเนี่ยเขาได้ประโยชน์เขาได้เห็นสัจธรรมของสังขารเขาได้รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันต้องการการพักผ่อนมันต้องการการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่หรือบางครั้งไอ้ความเจ็บปวดก็ทำให้เขาได้พบสิ่งดีๆจากการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน ได้ออกกาลังกายได้วิ่งจนกระทั่งได้พบความสุขจากการวิ่งร่างกายแข็งแรงหรือการได้พบปะผู้คนหรือการได้พบธรรมะได้พบความสงบจากการได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ปฏิบัติเด็ดขาดแต่เพราะกลัวตายเนี่ยก็เลยต้องขนวายแล้วก็เลยได้พบธรรมะได้พบความสงบ คนเราเนี่ยถ้าว่าวางใจไว้ดีนะแม้มันเจอเคราะห์เจออุปสรรคก็ไม่ทุกนะแถมกลายเป็นดีไปได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าวางใจไม่เป็นนะเจอโชคมันก็กลับเกิดผลเสีย ได้ยิ่งแมจะไม่ได้เจอโชคนะยิ่งไม่ได้เจอโชคแต่มีคนทักคนท้วงถ้าวางใจไม่เป็นนี่ก็เรียกว่าแย่ไปเลยนะอย่างตอนนี้มีหลายคนมากมีหลายคนทีเดียวนะที่กังวลมากเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยปีนี้เป็นปีชงสำหรับคนเกิดปีนั่นปีนี้หลายคน ที่เกิดปีนั้นปีนี้ก็ใจเสียเลยแล้วพอใจเสียแล้วนะมันก็จะเห็นแต่ไอ้เรื่องแย่ๆทั้งน้นที่มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่จากคนที่ใจเสียเพราะถูกทักว่าเป็นปีชงเนี่ยมันก็จะเห็นแต่สิ่งแย่ๆหรือถึงแม้จะไม่เห็น แต่ว่าก็ทำให้มันแย่เสียเองอย่างเช่นพอมีความวิตกกังวลว่าเป็นปีชงก็เลยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความวิตกกังวลก็ทำอะไรผิดพลาดขับรถก็ผิดพลาดขุมเครื่องจักรก็มีปัญหาก็เลยไปเข้าล็อกเลยนะว่าโอ้เนี่ยเป็นเพราะปีชงแท้ๆนี่จึงไม่ใช่เพราะปีชงหรอกเป็นเพราะว่าความวิตกกังวลต่างหาก แต่จะาเป็นเพราะปีชงก็ได้นะเพราะพอวิตกกังวลเนี่ยไอ้ความวิตกกังวลมันก็เกิดจากการที่มีคนทักว่าเป็นปีชงพอวิตกกังวลเข้ามันก็เลยเกิดเรื่องแย่ๆจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะปีไม่ใช่เพราะเคราะ์นะแต่เพราะการกระทําของตัวเองที่วิตกกังวลเมื่อคนที่ไปหาหมอไปดูหมอหมอก็ทักว่าเนี่ยคราะคุณไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ย เร็วๆนี้จะเกิดเคราะห์ลายคนที่ขวัญอ่อนนะเชื่อหมอนะพอได้ฟังคำทำนายแบบเนี้ยหัวใจเสียเลยนะเครียดเลยนะวิตกกังวลออกจากร้านหมอเนียเดินข้ามถนนนะเพราะความกังวลเพราะความตื่นกลัวเพราะความวิตกเพราะหมอทำนายแบบนั้นเนี้ย ข้ามถนนก็เลยใจไม่เยือกเ น, นื้อกับตัวดย้ยดนรถชนเอาเลยก็เลยบอกโหนหมอที่ไทยแม่นที่จริงมันไม่ใช่ว่าหมอหรอกนะไม่ใช่หมอไทยแม่นหรอกเป็นพราะการกระทําของตัวเองต่างหากที่ใจไม่เยือกเ น, นื้อกับตัวแต่มันก็มีส่วนนะเพราะว่าคําทํานายของหมอเนี่ยมันเป็นจริงที่เป็นจริงได้เพราะว่าคนคนที่ไปลูกค้าเนี่ยนะ เขาวางใจไม่เป็นเขาเชื่อหมอแล้วเขาก็วิตกกังวลแต่ว่าครอที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะคือถูกรถชนเนี่ยมันก็เป็นเพราะการกระทาของตัวเองต่างหาเพราะวางใจไม่เป็นบางคนฟังคำทักคำทานายของหมอก็เครียดนะกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีมีโรคเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งลามนะจนกระทั่งหน้ามืดนะ ความดันตกหรือว่าเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาทันทีเลยอาการกำเริบทันทีนะไม่ใช่เพราะดวงนะแต่เพราะไอความวิตกกังวลจากการที่ฟังหมอทักฟังหมอทานายนี่แห <S <S 1> <S 1> ค่เราว่าคำทํานายที่ทำให้เป็นจริงนแต่เป็นจริงไม่ไม่ใช่ไหมเพราะคัดนอนนายแเพราะคนฟังเนี่ยเขาจิตตก จิตตมก็เลยทําอะไรผิดพลาดเป็นความผิดพลาดเป็นคลอที่เกิดจากการกระทํ า, ทาของตัวเองเนื่องจากวางใจไม่ถูกไม่ใช่เป็นเพราะดวงไม่ใช่ว่าปีชงหรอกฉะนั้นจะว่าไปในการที่หลายคนเนี่ยไปไปแกนะ้ปีชงนะอย่างช่วงตุต จ, จีนี่มีคนแห่ไปวัดเล็งในยี่ไปแก้ปีชงเนี่ยแล้วหลายคนก็พบว่าโอ้พอแก้แล้วมันดีขึ้นนะ ก็มันจะไม่ดีได้ไงนะพอพอแก้ปีชงแล้วรู้สึกว่าเออหายวิตกกังวลพอหายวิตกกังวลเข้าเนี่ยไอ้แหลก็ดูผ่องใสดูอะไรดูก็ดูมันสว่างสวัยแต่ก่อนนี่มันหมองมัวเหลือเกินนะเพราะว่าไปไปคิดมากนะจิตตกเพราะถูกทักว่าเนี่ยปีราศีนั่นราศีนี้เนี่ยปีชงพอไปแก้ปีชงก็เอาสบายใจ แลยรู้สึกว่าอะไระมันก็ดีขึ้นนะที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าไปทำอะไรที่วัดนั่นหรอกนะหรือว่าไปแก้เคราะห์ไปสะดอเคราะห์แต่ปเป็นพราะว่าใจมันสบายพอใจสบายแล้วเนี่ยการทำอะไรมันก็ดูราบรื่นแม้จะมีอุปสรรคมันก็ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายก็มองเป็นเรื่องธรรมดา ในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าไปไปเอาจริงเอาจังกับปีชงนะไอ้เรื่องธรรมดาธรรมดาแกเป็นเรื่องของเคราะห์เรื่องของอ่าวยนะไปเลยนะเนเรื่องของใจเนี่ยสำคัญมากทีเดียวถ้าว่าเราวางใจดีนะแม้มันจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นร้ายก็กลายเป็นดีได้ทางานก็ประสบอุปสรรค ไม่สำเร็จแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเป็นความล้มเหลวนะถ้าวางใจดีนะก็จะคิดว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรมากมายไม่มีคาว่าล้มเหลวไม่มีคาว่าเสียไม่มีคำว่าเคราะห์มีแต่คาว่าได้ถึงเวลาทรัพย์สมบัติถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมก็ไม่โทษว่าเป็นปีชงไม่โชไม่โทษเป็นพ่เคราะห หรือว่าหมอสวยแต่หมอว่เออเขอมาสอนเรานะว่ามันไม่มอะไรทจะเป็นของเราเลยไม่มีอะไรทจะเป็นของเราเลยของที่อยู่กับเราก็อยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละเหมือนกับเมื่อสอนที่ก่อนจนะมีคนนะมาหาแล้วก็บอกบ้านโดนไฟไหม้แต่เขาบอกเออโชคดีนะที่ไม่มีใครเสียไม่มีใครตาย ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ภริยาก็บอกว่าเออมันได้เห็นจริงๆเลยนะมันไม่ได้เป็นของเราเลยไอ้ที่เราสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยทามก็หายสูญไปกับกองเพลิงันต่อไปนี้ก็คงจะไม่สะสมอีกแล้วมันก็จะ ค, ค, าคลายความยึดมั่นได้นะอันนี้เรียกว่า เสียทรัพย์นะแต่ว่าได้ปัญญานะได้เห็นธรรมซึ่งก็เรียกว่ากำไรนะไม่ขาดทุนแต่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะไม่ได้อะไรเลยอันนี้ขาดทุนแน่นอนเอริสันเนี่ยนะเขาได้เยอะแยะเลยนะถึงแม้ว่าใครๆมองว่าเขาล้มเหลวแล้วนะคนเราเนี่ยถ้าว่าเราได้อะไรต่ออะไรจากเหตุร้ยๆเนี่ยมันก็ไม่เรียก ว, ว่าเจอเคราะ หรือว่าสวยแต่ว่ากลับได้ประโยชน์นจากสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตนะให้ราบรื่นด้วยดี